นี่สาบานเมื่อเช้านี่ใช่มอ๋อมาจาเทพเลยเหรือว่าจะมาถามอะไรด้วยเลยเวลาจะถาม อ, ะอ่ะอันจะถามก็ถามได้นะคำถามนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดี ถามแล้วมันก็ทําให้เราสงสัยแล้วถ้าหาคําตอบไม่ได้มันก็ยังทําให้เรากังวลอยู่แต่ถ้าไม่มีคําถามมันก็มันก็ไม่มีความสงสัยไม่มีความกังวลเห็บางทีถ้าเรามีคําถามแล้วเราสงสัยแล้วยังหาคําตอบไม่ได้ก็ เดิมๆมันไปใช้ก็ได้อย่าไปคิดถึงมันเอาลงทีคำถามบางอย่างก็ไม่ไม่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างงัน้นถ้าเรามีคำถามเรายังหาคำตอบไม่ได้ก็ปล่อยวางไปก่อนแล้วต่อไปข้างหน้าเราอาจจะไปเจอคำตอบขึ้นมาทีหลังก็ได้ สิ่งที่เราควรรู้นี้มีไม่มากเรารู้กันหมดแล้วเพีแต่เราทํากันไม่ได้คือสิ่งที่เราควรรู้ก็คือเราควรมีสติกันมีแค่นี้แหละให้รู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปรู้ปัญหาโลกแตกต่างๆถ้ามีสติตัวเดียวใจสงบแล้วมันสบายแล้วมันก็ รู้อะไรก็ได้ไม่รู้อะไรก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ใจเราสงบใจเราสบายอันนี้สำคัญกว่าฉะนั้นทางพระพุทธศาสนานี้ยึงไม่ต้องรู้มากเพียงแต่ให้รู้วิธีสร้างสติขึ้นมา ทำยังไงทําให้เรามีสติทําให้เราหยุดความคิดต่างๆพอคิดมันก็สงสัยไปหมดสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้พอหยุดคิดความสงสัยก็หายไปหมดนั้นคําตอบของคําถามของเราก็คือหยุดถามหยุดสงสัยหยุดคิดถ้าเราหยุดคิดได้แนละ้วมันก็ไม่มีอะไรให้เราต้องมา สงสัยว่าอะไรจะเป็นอะไรก็เหม็นเป็นปัญหาเลยกับเราใครจะดีใครจะชั่วใครจะทำอะไรมาจากไหนเกิดจากอะไรเป็นอะไรมาอย่างไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าหน่บางคนอยากจะรู้ว่าดวงจิตดวงวิญญาณนี่เกิดขึ้นมาจากที่ไหนนะกิเลสมาจากที่ไหนขอเพิ่มนี้ หาคำตอบไม่ได้คำถามบางคาถามไม่มีคาตอบแล้วก็หาไปก็เท่านั้นได้คำตอบก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันให้ใจเราสบายในอย่างไรใจเราสบายต่อเมื่อเรามีสติถ้ามีสติเราก็หยุดความคิดของเราได้พอหยุดความคิดได้แล้วใจก็จะสบายความสงบ ความสบายของใจอยู่ที่ความสงบของใจใจหยุดคิดใจก็จะสงบหยุดคิดแล้วใจก็จะสบายสบายแล้วก็ไม่สนใจว่าจะมีอะไรที่ไหนอย่างไรในโลกนี้จะมีกี่ประเทศมีคนกี่คนประเทศไหนมีอะไรบ้างไม่เห็นจำเป็นต้องไปรู้มันเลย แต่ถ้าเราคิดในทางโลกเราต้องรู้เพราะถ้าเรารู้มากเราก็จะสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆได้แต่สิ่งต่างๆที่เราหาได้เช่นเงินทองนี่มันไม่ได้ทำให้ใจเราสงบไม่ได้ทำให้ใจเราสุขเนี่ เราให้เป็นมาสิทธริระดับหนึ่งของโลกใจก็ยังไม่สมบใจก็ยังไม่มีความสุขใจก็ยังหิวยังอยากนี่แหละคือความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกไม่ได้ทําให้ใจอิ่มไม่ได้ทําให้ใจพอแต่กลับจะทําให้ใจหิวอยากจะรู้มากขึ้นเห็นไหมพวกนักวิทยาศาสตร์เดนี้ รู้ในโลกนี้พอแล้วอยากไปรู้เรื่องของดวงดาวกันแล้วสิส่ง จ, จัหลวดขึ้นไปสำรวจดาวดวงนั้นดาวดวงนี้ส่งกล้องออกไปดูดาวต่างๆดูว่ามันเป็นอย่างไรมาจากที่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรมีมนุษย์ต่างดาวอยู่หรือเปล่าเนี่ยความรู้ทางโลกมันจะไม่มีวันสิ้นสุด รู้มากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คิดว่าตัวเองนี้รู้น้อยความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเราความรู้ที่จะทําให้จิตใจของพวกเราเกิดประโยชน์เกิดความสุขก็คือความรู้วิธีหยุดความคิดของเราทําใจให้เราให้สงบรู้ท่านนี้พอเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงไม่สอนมาก เขาบอกว่าพุทธโธคําเดียวเอาพุทธโธคําเดียวเนี่แะจะดีกว่ามีจรวดส่งญานอวากาศไปสํารวจหาความรู้อะไรต่างๆนอกโลกเรารู้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราสบายแต่ดีไมด่ดีอาจจะทําให้เราเครียดเสียอีกเกิดไปรู้ว่ามี มีลูกอุ ก, กาบาทมันจะวิ่งมาชนโลกภายในสองภายในหปี1ิปีข้างหน้าไม่รู้อย่างนั้นยิ่งทำให้เครียดใหญ่สู้ไม่ต้องไม่รู้มันดีกว่าดังนั้นทางพุทธศาสนานี้เราจึงสอนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะทำใจของพวกเราให้สงบ ให้มีความสุขให้มีความอิ่มให้มีความพอพอใจเราสงบแล้วมีความอิ่มมีความพอแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะดีอะไรจะชั่วไม่มีปัญหากับใจของพวกเราใจของพวกเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ เยือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าหากันอย่าไปหาสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เลยเราให้หาได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่ได้ทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราอิงทําให้ใจเราพอทําให้ใจเราไม่วุ่นวาย ไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับสิ่งต่างๆมาทำใจให้สงบกันทำใจให้สงบก็มีสามขั้นตอนทำทานรักษาศีลภาวนาทานก็ทำไปตามกำลังของเราถ้าเราจะเอาเงินไปซื้อ อะไรตามความอยากก็เอาบาปทาทานดีกว่าเราทําเอาเงินไปใช้ตามความอยากมันจะทําให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเราจะทําให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นเมื่อต้องใช้เงินมากขึ้นก็ต้องหาเงินมากขึ้นถ้าหาไม่ได้ก็เครียดถ้าไม่ใช้เงิน ก็ไม่ต้องเครียดกับการหาเงินถ้าเราหาเงินเฉพาะใช้กับสิ่งจำเป็นมันก็ไม่ต้องหามากสิ่งจำเป็นก็คือปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มถ้าเราหามาพอที่อยู่ได้มันก็ไม่ต้องใช้เงินมาก เม่ไม่ใช้เงินมากก็ไม่ต้องไปหาเงินมากันมากอันนี้เป็นการทําใจให้สงบในระดับหนึ่งความอยากนี้ทําให้ใจเราไม่สงบกันอยากเราอยู่ไม่เป็นสุขอยากเราต้องไปทําตามความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทําก็เครียดหงุดหงิดําคาญใจ ไม่มีความสุขก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้ได้สิ่งที่อยากได้ให้ได้ทำที่ในสิ่งที่อยากทำบางทีก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้อยากทาเช่นไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปลักไปขโมย ไปช่อโกงไปขอรับชั่นเพื่อที่จะได้เอาเงินมาทำตามความอยากแล้วใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าลองเคยรักขโมยสักครั้งมันก็จะติดเป็นนิสัยมันก็จะรักขโมยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกจับพอถูกจับทีนี้ก็ต้องไปใช้โทษไปติดคุกติดตาราง ก็จะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้ก็จะเครียดอยู่ในคุกในตารางนี่คือการที่เราปล่อยให้ใจเราทำอะไรตามความอยากด้วยใช้การใช้เงินทองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราต้องหยุดใช้เงินทองตามความอยากถ้าเรามีมากเกินไป อย่าไม่มีถ้าเราไม่มีกำลังที่จะฝืนการใช้เงินตามความอยากได้ <c oughs> ก็อย่าให้มีเงินเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนเทีนอยากจะซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าชุดใหม่ทั้งทั้งที่มีพอใช้อยู่แล้วก็เอาเงินที่จะซื้อเนี่ยไปทำทานทำบุญซะ มันจะได้หายอยากแล้วต่อไปมันจะไม่อยากจะซื้อของฟุง่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆเมื่อไม่ใช้ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปดิ้นโลนหาเงินหาทองอยู่เฉยๆก็ไม่หงุดหงิดไม่ลำคานใจที่หงุดหงิดลำคานใจก็เพราะว่าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำตามความอยาก แต่ถ้าเราฝืนความอยากโดยไม่ใช้เงินทองไปทําตามความอยากที่อยากจะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวนี้มาอยู่วัดดีกว่ามาทําบุญจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารอยู่ที่วัดความอยากเที่ยวต่อไปมันก็จะหายไปทุกครั้งอยากจะเที่ยวก็ไปอยู่วัดแทนเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไป ใช้จ่ายที่วัดเอาไปทำบุญที่วัดแล้วต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะเบาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะการทำบุญมันก็ทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจพอใจทำให้เราไม่ต้องมีความอยากที่จะไปเที่ยวที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เมื่อเราไม่มีความอยากต้องซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ต้องหาเงินให้เหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการทำบาปทำกรรมถ้าเราหาพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ไม่ต้องหามากเดือนละไม่กี่สตางก็อยู่ได้เวลาสามร้อยนี่ก็พอแลวถ้าแรงขั้นต่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สบายนะ เอาเวลาที่จะไปเที่ยวเอาเวลาที่จะไปหาเงินหาทองเพื่อที่มาใช้ตามความอยากมาอยู่วัดมาทำใจให้สงบกันดีกว่ามานั่งสมาธิกันมารักษาศีลกนนี่คือขั้นตอนของการทำใจของเราให้สงบเราต้องฝืนความอยากกัน เพราะความอยากนี้จะทำให้ใจเราฟุง้งทำให้ใจเราไม่สบายถ้าเราฝืนความอยากได้ความอยากาหายไปใจจะสบายใจจะสงบ ต, ตอนนี้เราไม่มีความอยากกันเราเลยนั่งตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้ถ้ามีความอยากเดี๋ยวนั่งไม่ได้จะต้องลุกไปทำอะไรตามที่อยากจะทำ อันนี้แ่ะคือการทำใจให้สงบในเบื้องต้นหยุดใช้เงินใช้ทองไปทำตามความอยากต่างๆแล้วก็อย่าทำบาปทำกรรมรักษาศีลห้าให้ดีเพราะถ้าไปทำบาปทำกรรมแล้วเดี๋ยวต้องไปรับผลบาปผลกรรมต้องถูกลงโทษ ไปติดคุกติดตารางอันนี้เป็นการกระทาที่จะช่วยทำให้ใจเราสงบ พ, พอเราฝืนความอยากที่จะทำบาปได้ใจเราก็จะเย็นสบายถ้าเราฝืนไม่ได้ไปทำบาปใจเราจะไม่สบายไปรักทรัพย์ไปช่อกง ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกโหกหลอกลวงทำไปแล้วจะทำให้ใจเราไม่สบายเราต้องฝืนมันอย่าไปทำไม่ทำแล้วใจเราจะเย็นจะสบายจะมีความสุขทำทานมีความสุขรักษาศีกก็มีความสุข สุขที่ได้จากการทำทานนี้สู้สุขที่ได้จากการรักษาศีลไม่ได้แล้วก็สุขที่ได้จากการภาวรักษาศีลนี้สู้สุขที่ได้จากการภาวนาไม่ได้ <ë. S 1> พอเราได้ความสุขจากการทาทานแล้วเร า, าก็จะขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลไปาา <Lance> ไหาความสุขที่ดีกว่าไ <Active> ด้ พอเรารักษาสีนได้เราก็จะขึ้นไปสู่การหาความสุขระดับของการภาวนาได้การภาวนาก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบความสุขที่เราได้จากการทำทานมันก็ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทำอะไรตามความอยากต่างๆการใช้เงินซื้อความซื้อของต่างๆตามความอยาก หรือใช้เงินไปทำหรือไปเที่ยวอะไรตามความอยากความสุขแบบนั้นเป็นความสุขเดียวเดียวสู้ความสุขที่ได้จากการเอาเงินทองมาทำบุญทำทานไม่ได้เราจะทำให้ความอยากใช้เงินใช้ทองนี้มันหมดไปเมื่อไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ไม่ต้องไปเิ้นรนไปทำงานเราก็ไปเสี่ยงกับการทำบาปกัน คนที่เขาทำมาค้าขายเขามาักจะมาบ่นให้ฟังว่ารักษาสินยากขาเกินทำมาค้าขายก็เพราะอยากได้เงินมากๆก็เลยต้องโกงบ้างโกหกบ้างหลอกลวงบ้างเอาของมีคุณภาพไม่ดีมาขายบ้างขายในราคาของคุณภาพดีอันนี้ก็ พออยากได้เงินเพื่อจะได้เอาเงินมาใช้ซื้อของตามความอยากต่างๆแต่คนที่เขาไม่ได้หาเงินเพื่อที่จะมาซื้อของตามความอยากนี่เขาจะขายแบบสบายๆขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ขายไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ต้องการเงินทองมากมาย เขาขายวันหนึ่งพอซื้ออาหารกินได้เขาก็พอแล้วเขาไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอืง่นเขาไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ้มเฟวออะไรต่างๆมีเสื้อผ้าสองสามชุดก็อยู่ได้แล้วคนที่มีความาไม่มีความอยากนะที่จะใช้เงินนี่ อยู่อย่างสบายค้าทามาค้าขายก็ขายอย่างสบายไม่ต้องโกงไม่ต้องโกงตาช่างบางทีเขาก็โกงตาช่างโกงด้วยวิธีการต่างๆบา ง, งทีก็หลอกหลอกลวงโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้กำไรเยอะๆเพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อตามความอยากอยากไปเที่ยวก็จะได้ไปเที่ยว อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ซื้อแต่มันซื้อมาแล้วมันไม่พอนะซื้อมาแล้วมันก็อยากจะซื้ออีกเที่ยวมาแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกมันก็จะทําให้วนเวียนอยู่กับการหาเงินใช้เงินไปอย่างนี้แล้วเวลาหาไม่ได้ก็เครียดเวลาเงินทองไม่พอใช้ก็เครียดก็ทุกข์อีกเพร้นเราต้องมา หยุดความอยากใช้เงินแบบนี้กันเงินทองนี่มีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้ามันหาได้มากเกินไปก็เอาไปทำบุญทำทานแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะไม่อยากไปเที่ยวไหนจะไม่อยากซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆซื้อของจาเป็นเท่านั้น เช่นถ้าเสื้อผ้าไม่พอใส่ก็ซื้อซื้อมาถ้าพอแล้วก็ไม่ซื้อลองเท้าเก่าถ้ามันขาดก็เปลี่ยนคู่ใหม่จะซื้อด้วยเหตุด้วยผลจะใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลถ้ามีเหลือมากเกินไปก็เอาไปบริจาคเอาไปทําบุญทําทานแล้วใจก็จะไม่ต้องไปทําบาป ก, ก็จะรักษาศีลได้ รักษาศีลได้ใจก็จะสบายคนที่รักษาศีลไม่ได้กับคนที่รักษาศีลได้นี่ความรู้สึกจะต่างกันคนทําบาปกับคนไม่ทําบาสนี่ใจยังมีความรู้สึกไม่เหมือนกันทําบาปแล้วจะไม่สบายใจเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่ตกใจทั้งๆ้งที่เขาไม่ได้มาจับเราเองที่เขาจะมาซื้อของมาถามอะไรมาสอบถาม ว่าจะไปทางนู้นไปอย่างไรพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตกใจแล้เอ๊ะเขาจะมาจับเราหรือเปล่าถ้าเราไปทําบาป ท, ทาผิดกฎหมายแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราก็เฉยๆเขามาก็มาก็มาซื้อของนี่มาถามหา อ, อะไรเราจะไม่เดือดร้อนการทําบาปนี่เป็นเหมือนเป็นวัวสังหลังหว้ามีแผล่ มีแผลที่ใจพออะไรมาสะกิดหน่อยก็เจ็บขึ้นมาคนทําบาปนี่เหมือนมีแผลที่ใจพอมีเห็นใครก็ปักนี่วิตกกังวลขึ้นมาแล้วเอ๊เขาจะมาจับเราหรือเปล่าเขาจะมากล่าวร้ายเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปนี่เราจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวใคร ใครจะมากล่าวร้ายก็กล่าวไปมันก็ไม่ได้เป็นความจริงอันนี้คือความสุขที่ได้จากการไม่ทำบาปแล้วพอเรารักษาศีลได้เราก็จะรักษาศีลเพิ่มได้ขึ้นอีกจากห้าข้อไปเป็นแปดข้อตอนต้นก็รักษาห้าข้อก่อน ไม่ฆาสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประ้ไม่ไม่พูดปดไม่เสพสุรายามเมาพอรักษาได้แล้วก็อยากจะรักษาเพิ่มขึ้นอีกสามข้อเพราะยิ่งรักษาได้มากจิตยิ่งมีความสุขมากขึ้นสามข้อนี้ที่ให้รักษาเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ต้านความอยากห้ามความอยาก ถารักษาสีนหน้านี้เรายังถ้าเรายังอยากนอนกับแฟนนี่เรายังนอนได้แต่ถ้าเราถือสีแปดแล้วนี้นอนไม่ได้แล้วเราจะไม่สามารถทำตามความอยากได้การไม่ทำตามความอยากนี่มันดีกว่าการทำตามความอยากเพราะทำตามความอยากแล้วมันต้องทำไปเรื่อยๆเวลาใดไม่ทำเวลานั้นมันจะทุกข์แต่ถ้าเราฝืน ไม่ทำตามความอยากได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตามความอยากเช่นถ้าเกิดแฟนตายจากเราไปหรือทิ้งเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องมีแฟนอยู่พอเขาจากเราไปเขาทิ้งเราไปเราก็จะร้องหมร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเพราะความอยากของเราเองไม่ใช่อะไร ถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะอยู่เขาจะไปนี่เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังอยากอยู่นี่ต้องมีเขาต้องอยู่กับเราถ้าเขาไปนี่เราจะไม่พอใจเราจะเสียใจเรืงตอนนี้เราจะมาตัดความอยากกันด้วยการรักษากสีลแปดกันสีลก็สามจากการเมก็มาเป็นอ布拉มัมจรียาไม่ร่วมหลับนอนกับใคร เลือกหาความสุขทางนี้ไม่ตายไม่ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคนอื่นไม่ตายดีสิจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเขาเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยเลอมิตกกังวลว่าไปอยู่กับใครเสียแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการมีความอยาก ร่วมหลับนอนกับแฟนกับผู้อื่นแล้วก็มากำจัดความอยากที่จะกินแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่ให้กินตามความอยากให้กินตามความต้องการของร่างกายความต้องการของร่างกายเนี่ยกิ น, วนเวลามือเดียวก็พอกินครั้งเดียวก็พอถ้าอยากจะกินสองครั้งก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้ว หลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินแล้วกินไปก็ติดต้องกินอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้กินก็จะทุกข์กินมากเกินไปก็จะเป็นปัญหากับร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีน้ำหนักเกินไม่เป็นประโยชน์การกินด้วยความอยากนี่มันเป็นโทษ แล้วจะทำให้เร า, เาไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้พราโมอห่วงเรื่องกินพอจะนั่งสมาธิหน่อยหิวแล้อยากจะกินน่นกินนี่ขึ้นมาอีกนะก็จะนั่งไม่ได้หรือถ้านั่งก็เดี๋ยวก็หลับกินใหม่ๆกินเสร็จมันอิ่มท้องหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเนี่ยพอนั่งก็สับประมก ก็จะไม่สามารถภาวนาได้จะไม่สามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็เลยต้องมาควบคุมการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยากินตามเวลาเวลาเรากินยาเราไม่ได้กินด้วยความอยากเรากินตามความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการอาหารวันละหนึ่ง หนึ่งมือ้อหรือสองมื้อก็พอกินแล้วจะได้หมดปัญหาไปหลังเที่ยงวันไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับอาหารมื้อบ่ายมื้อเย็นมื้อก่อนนอนอีกเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิทาใจให้สงบนั่งก็จะไม่ง่วงไม่สะบะงอกแล้วเราก็มาถือสินข้อเจ็ดก็คือ ไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากการดูการฟังอะไรต่างๆที่บ้านก็ปิดทีวีไม่เปิดอะไรดูไม่เปิดอะไรฟังร่างกายก็ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันยุ่งยากไปกป่าๆอาบน้ำอาบท่าหวีผ้าหวีผมไม่เรียบร้อยก็พอแล้วล้างหน้าล้างตาให้สะอาด แค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยความงามเสริมสวยเสร็จแล้วก็ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทาใจให้สงบมาหาความสุขที่ดีกว่าการได้จากการไปเที่ยวความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการหลับนอนกับแฟนจากการรับประทานอาหาร สู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบไม่ได้และเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเหมือนกับความสุขที่ได้จากการหลับนอนกับแฟนกับการไปเที่ยวเพราะว่าเวลาไม่ได้ไปเที่ยวก็จะทุกข์เวลาไม่ได้นอนกับแฟนก็จะทุกข์แต่ความสงบนี้มันไม่มีโทษตามมาเราสามารถ ทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรมาทำให้เรามีความสงบเราสามารถสร้างความสงบขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องอาศัยแฟนไม่ต้องอาศัยอาหารไม่ต้องอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ความสุขกับเรา นี่เป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องวุ่นวายกับแฟนไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องอาหารการกินไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องบันเทิงต่างๆเพียงแต่นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธทำใจให้นิ่งพอใจสงบแล้วก็เย็นสบาย นี่คือการภาวนาภาวนาเพื่อหยุดความคิดใจเราจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวหยุดถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปเรื่อยตั้งแต่เติมมานี่หยุดคิดได้อยังคิดปาตลอดคิดมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอคำว่าหยุดคิดกันเลยเลยไม่เคยเจอความสุขที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าได้สรงคนพบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะสงบได้ก็ต้องหยุดความคิดจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติสตินี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราควบคุมใจให้เราคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้คิดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงแฟนไม่สามารถไปคิดถึงอาหารขนมนมเนยไม่สามารถไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้พอไม่คิดมันก็เลยไม่อยากพอไม่อยากมันก็นิ่งมันก็สงบมันก็สบายแเราต้องมาหัดสร้างสติกันมาพุโทโธกันอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อย คิดพอ้อฝันเพอเจ้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้กคนนั้นก่อนนี้คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาหยุดความคิดกันดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธกันดีกว่านต้องมาสร้างสติกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยก่อนจะลุกจากเตียงก็พุโทโธขณะลุกจากเตียงก็พุโทโธ ขณะเดินไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าจะต้องใช้ความคิดถึงหยุดใช้ความคิดที่จาเป็นจะต้องคิดเช่นเวลาทํางานจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุดโทโธไปแต่ถ้าทําอะไรไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปเช่นน้างหน้าแปลงฝันนี่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปอาบนะ้าแต่งเนื้อแต่งตัว เประทานอาหารพุทโธพุทโธไปถ้าทำนี้ได้เราจะควบคุมความคิดได้แล้วพอเรานั่งเฉยๆมันก็จะหยุดคิดจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบตกหลุมตกเหวไปเวลาจิตจะสงบนี่มันวูบลงไปเหมือนตกมงมาจากที่สูงแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็จะสบายเบา อ, อกเบาใจเหมือนกับยกภูเขาออกจาก อ, อก ทุกว in in ันนี้เราหนักอกหนักใจเพราะความคิดของเราเนี่ยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็หนักอกหนักใจไปกับเขาเพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากก็หนักอกหนักใจไม่สบายใจถ้าเขาเป็นอย่างที่เราอยากก็เบาใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ไปอยากใหม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใหม่ขึ้นมา พอเขาไม่เป็นก็หนักอกหนักใจไม่สบายใจเนี่ยเราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองด้วยความคิดของเราถ้าเราหยุดคิดได้เราก็จะดับความวุ่นวายใจความหนักอกหนักใจได้แล้วเราก็จะได้ความสบายอกสบายใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทําอะไรต่างๆ จากการได้สิ่งต่างๆมาในโลกนี้ต่อให้ได้เงินมาร้อยล้านพันล้านก็สู้ได้ความสงบไม่ได้ได้ร้อยล้านพันล้านก็วุ่นวายอีกแล้วจะทำไงกับเงินร้อยล้านแล้วถ้าทำแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆทำมา่เครียดกับการทำการใช้เงินการหาเงินีได้มาร้อยล้านก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีก มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ยันไม่ว่าจะได้อะไรมาในโลกนี้มันไม่ได้ทำให้ใจสงบนะแต่มันจะทำให้ใจเราวุ่นมากขึ้นในตำแหน่งขึ้นมานี้วุ่นแล้วสิเพราะเป็นหัวหน้านี้ต้องวุ่นนะต้องดูแลจัดการกับลูกน้องนะถ้าเป็นลูกน้องสบายกว่าเป็นหัวหน้ารอรับคำสั่งอย่างเดียวพอพอเป็นหัวหน้านี้มันต้องคุมคนหลายคนนะสิต้องสั่งคนนั้นต้องสั่งคนนี้ เดีกยวเกิดคนนั้นทําไม่ถูกก็วุ่นวายขึ้นมาอีกเนี่ยพวกเราหลงผิดเป็นชอบกันคิอว่าได้ลาบยศแล้วจะมีความสุขมากขึ้นแต่ที่ไหนได้กลับมีความวุ่นวายใจมากขึ้นมีความหนักอกหนักใจมากขึ้นถ้าไม่มีแล้วมันสบายแต่คนไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันสบายไม่รู้ว่าตัวเองสบาย พออยากจะมีพอเกิดมีความอยากจะมีมันก็เลยไม่สบายความจริงสบายอยู่แล้วถ้าไม่มีความอยากนี่พอมันมีความอยากมันก็เลยทำให้ไม่สบายคนที่ไม่มีอะไรนี่สบายกับคนที่มีแต่คนที่ไม่มีกับไม่สบายเหมือนกับคนที่มีก็เพราะว่าอยากจะมีเหมือนเขาพออยากจะมีความไม่สบายใจมันก็หายมันก็โผล่ขึ้นมา คนที่มีก็อยากจะมีเยอะๆก็ไม่สบายใจเหมือนกันดงั้นตราบใดถ้าไม่รู้จักคำว่าพอนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสบายแต่ถ้ารู้จักคำว่าพอมีเท่านี้พอล้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า น, นี้แล้วหรือว่าถ้ามีน้อยกว่า น, นี้ได้ยิ่งดีอย่างียิ่งจะสบายใจใหญ่พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาลดการมีให้มีน้อยลง มีเท่าที่จําเป็นมีเงินทองมากเกินไปก็เอาไปทําบุญทําทานก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันไม่ต้องมาดูแลรักษามันไม่ต้องมารับใช้เงินทองการรับใช้เงินทองก็คือการมาเฝ้าเงินทอง่เป็นยามเฝ้าเงินเฝ้าทองไปจะใช้ก็เสียดายใช้ก็หมดเก็บไว้ก็ ก, กลัวหายก็มีแต่ความทุกข์กับเงินกับทองสู้ไม่มีมันไม่ดีกว่า ไม่มีแล้วโล่ง อ, อกสบายใจไม่ต้องมากังวลว่าเงินจะหายไม่หายไม่ต้องกังวลว่าจะทำยังไงให้มันมีเพิ่มมากขึ้นจะไปฝากดอกที่ไหนดีเอาดอกที่ไหนดีเอาดอกแบบไหนดีดอกสูงก็เสียงมากดอกต่ำเสียงน้อยก็ดอกก็ต่ำจะมีมีแล้วก็วุ่นวายถ้ามีความอยาก แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันเฉยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้จะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้จะไม่มีความอยากได้ก็ต้องมาหยุดความคิดต่างๆอย่าไปคิดถึงเงินถึงตอนตอนนี้มีเงินน้อยล้านพรน้อยก็ปล่อยมันทิ้งไว้มันอยู่ตรงไหนก็ปล่อยมันไปถ้าเราไม่ยังไม่ต้องใช้มันก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันถึงเวลาจะใช้มันก็ค่อยไปคิดถึงมันถ้า ถ้าไปคิดถึงมันไปหามันมันหายไปแล้วก็หมดไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้เท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราอยู่แบบไม่ใช้เงินได้มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีปัญหาเลยแต่พวกเรามันอยู่กันแบบต้องมีเงินกันพอไม่มีเงินแล้วมันเดือดร้อนพอเราไม่รู้จักอยู่แบบไม่การแบบไม่มีเงินอยู่แบบไม่มีเงินก็ต้องอยู่แบบไม่มีความอยากอยู่แบบนักบวชไม่ได้ใช้เงิน มาถือสีนแต่แล้วจะไปใช้เงินกับอะไรก็ใช้เงินกับค่าค่าอาหารวันละมื้อเท่านั้นเองมันก็จะใช้เงินน้อยมันก็จะไม่กังวลกับเรื่องเงินเรื่องทอ ง, องทมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ไปใช้มันแล้วนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ควรปฏิบัติแล้วจิตของเราจะได้มีความสุขมีความสงบ เราต้องคอยกำจัดความอยากของเราตัวเดียวนี้เท่านั้นอย่าให้มัน อ, อย่าไปทำตามความอยากเป็นอันขาดทำแล้วมันจะต่อยอดจะต่ออายุให้มันมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราฝืนความอยากทุกครั้งมันจะตัดอายุมันให้มันน้อยลงไปสั้นลงไปแลาหมดไปในที่สุด <c oughs> ความอยากนี้ถ้าตามตามความอยากมันจะขยายให้ตัวไปเรื่อย ถ้าไม่ทำตามความอยากมันจะหดตัวลงไปจนในที่สุดมันจะไม่มีความอยากอีกต่อไปคนที่เข้ามาบวชได้เขาเลิกใช้เงินได้ก็เพราะว่าเขาไม่ทำตามความอยากคนที่ยังใช้เงินตามความอยากอยู่ก็ยังต้องใช้ต่อไปยังหยุดไม่ได้คนที่มาบวชแล้วมาถือศีลแปแล้วนี่ไม่ต้องใช้เงินแล้วไม่ต้องใช้เงินตามความอยากแล้วก็ ไม่ต้องใช้เงินมากใช้เฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่จะเป็นเท่านั้น <c oughs> ซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอย่างมากก็ปล่อยให้ร่างกายตายไปร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีจะมีเงินซื้อกับข้าวให้มันกินหรือไม่ถึงเวลามันจะตายมันก็ตายอยู่ดีไม่มีเงินซื้อกับข้าวก็ตายอดตาย มีเงินซื้อกับข้าวก็ตายด้วยวิธีอื่นมันก็อดตายอยู่ดีเวลาไม่สบายมันก็กินไม่ได้อยู่ดีกินไม่ได้มันก็ต้องตายในที่สุดร่างกายก็ต้องตายฉะนั้นการเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้เลี้ยงก็ตายไม่เลี้ยงก็ตายตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองถ้าไม่เลี้ยงมันก็ตายเร็วหน่อยถ้าเลี้ยงมันก็ตายช so ้าหน่อย อันนั้นที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่เราไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมารักษาเลี้ยงมันถ้าเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายทําอะไรให้กับเราถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเราก็ต้องดินน้นรนเลี้ยงมันไปถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆเราก็ยังต้อง เลี้ยงดูร่างกายให้ดีแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเรามาทำใจให้สงบได้เราก็เ้อกใช้ร่างกายได้เพราะเราไม่ต้องเอาร่างกายไปเที่ยวไม่ต้องเอาร่างกายไปนอนกับใครแล้วร <พ grim. S 1> ่างกายมันเราไม่ต้องใช้มันเราสามารถหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบได้ไม่ต้องใช้ร่างกาย <ornament. S 1> ก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ร่างกายจะเป็นจะตายจะแก่จะเจ็บก็ไม่เป็นปัญหาะลรตอนนี้ไม่ชอบแก่กันเพราะถ้าแก่แล้วหาแฟนยากใช่ไหถ้าหนุ่มถ้าสาวนี่มาหาแฟนง่ายหรือไม่มีใครอยากจะแก่กันพอแก่แล้วต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่มีใครอยากจะนอนคนเดียวอยู่คนเดียวเพราะยังมีความอยากนอนกับแฟนกันอยู่ แต่ถ้าเราถือศินแปดจนเป็นนิสัยแล้วไม่อยากจะนอนไม่ต้องนอนกับแฟนได้เนาะก็ไม่เดือดร้นอนจะแก่ก็ไม่เดือดร้นอนไม่ต้องมาเสริมความงามต่างๆโกนหัวเลยสบายกว่าโกนหัวเราก็ไม่ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาเผผาผมผมนี่มันมีปัญหาเป็นภาระหนักขนาะไหอสระสะส ะ, สะแต่ละครั้งนี่กว่าจะแห้งกว่าจะมาหวีมา ดัดมาทาให้มันเป็นรูปแบบที่เราต้องการนี่เสียเวลาไปสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าเรายังอยากจะมีแฟนอยู่อยังอยากใช้คนเข้ารักเราอยู่ชอบเราอยู่เราก็เลยต้องมีผมงามๆสวยๆพอคนหัวแล้วไม่มีใครมองนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการนอนกับแฟนเราก็ไม่ต้องไปเสริมความงาม่ห้เสียเวลาหรอกครับ อาบน้ำเราถ้าโกนหัวนี่สบายสะผมได้ทุกวันเลยนะอาบน้านีา่เราสบู่ฟอกศีสระไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรร่างกายสะอาดผมสะอาดเท้าสะอาดทุกวันสะสะทุกวันอยู่อย่างสบายไม่ชอบอยู่กันชอบอยู่กันแบบวุ่นวายกันเพราเราไม่ยอมฝืนความอยากกัน เรากลัวมันพอมันสั่งปั๊บนี่เราฤทธ์ต้อ ง, องทําตามมันทันทีสั่งให้ทําอะไรต้องทําทันทีถ้าไม่ทําแล้วเดี๋ยวมันออกฤทธิ์ทำให้เราหงดหงิดทำให้เราเศร้าสร้อยงอยเหงาว้าเหวพอสั่งให้ไปหาแฟนนี่ต้องไปละอยู่คนเดียวไม่ได้ดูแล้วเหนียวมันรู้สึกเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเหว่เป่าปเปี่ยวจิตใจ แต่ถ้าทาใจสงบแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีในใจอยู่คนเดียวแล้วแสนจะสบายไม่ต้องวุ่นวายกับใครอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวก็ต้องวุ่นวายกับเขาเขากจา็จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะทาอย่างนู่นจะทาอย่างนี้พอทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเดี๋ยวก็มีเรื่องกันขึ้นมา น, ะนี่คือโทษของความอยากที่เรามาปฏิบัติกนันนี้ก็เพื่อมาฝืนความอยากกันมาตัดความอยากกัน มาหยุดความอยากกันมาทําลายความอยากกันถ้าทําลายได้แล้วจะไม่มีอะไรมารบกวนใจจะไม่มีอะไรมาสร้างความหงุดหงิดตำคานใจสร้างความว้าเหวสร้างความเศร้าส้อยหงอยเหงาสร้างความอิดหาละอาใจสร้างความเบื่อนายสร้างความเครียดต่างๆสร้างความทุกข์ต่างๆจะไม่มีภายในใจ ตัวที่มันทำให้เกิดความทุกข์ก็คือตัวความอยากนี้แหละไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าได้ตัดสเลกเห็นความจริงอันนี้และสามารถทำลายความอยากทั้งหลายที่มีในใจของพระองค์ให้หมดไปหมดแล้วใจของท่านก็สบายมีแต่บรลมมาสุขตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงส6 5สห้าวันแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะใจไม่มีวันตายความสุขใจก็ไม่มีวันหมดแม้ขณะนี้ใจของพระเจ้าก็ยังมีอยู่ยังมีความสุขเหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่กับพวกเราอยู่ท่านไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ท่านไม่เอาร่างกายแล้วเพราะร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวร่างกายมันตันภาระมีร่างกายแล้วก็ต้องมาเลี้ยงดูมันต้องมา หาอาหารมาหาน้ำหาอยู่หายาหาที่อยู่อาศัยหาเสื้อผ้าหาอะไรต่างๆเหนืนน่อยเมื่อยล้าไปกับร่างกายและในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเลยไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่ามีเพราะไม่มีภาระเหมือนคนที่ไม่มีรถกับคนไม่มีรถคนไม่มีรถก็ไม่ต้องมาคอยเติมน้มามันรถไม่ต้องมาซ่อมรถ ไม่ต้องหาที่จอดรถคนมีรถก็ต้องมีภาระกับการดูแลรถไปคนที่ไม่มีรถเพราะเขาไม่อยากไปไหนมาไหนก็ไม่รู้จะมีรถไปทำไมแต่ถ้าคนยังอยากไปไหนมาไหนก็ยังต้องมีรถอยู่คนที่ยังอยากหาความสุขทางร่างกายก็ยังต้องมีร่างกายอยู่แต่คนที่ไม่มีความอยากหาความสุขทางร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกาย เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีภาระเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาทุกกับร่างกายไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่กอยู่ตามนำพังไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้พวกเราไม่รู้ว่าเราสามารถอยู่กันโดยไม่มีร่างกายได้เพราะเราไม่เคยไม่เคยลองอยู่แบบไม่มีร่างกายกันการอยู่แบบไม่มีร่างกายก็มาอยู่แบบนักบวช แล้บวชเขาไม่ได้ใช้ร่างกายห า, าาาญญาหาความสุขกันแล้วเขาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุขกันแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายเห็นไหมเขากลนหัวได้สบายใส่ชุดขาวชุดเดียวพอไม่ต้องมีหลายชุดมีสองสามชุดก็พอแล้วไว้เปลี่ยนไว้ซักไว้สำรองแค่นี้ก็พอแล้ว หาความสุขทางใจดีกว่าหาความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางใจไม่มีวันหมดความสุขทางร่างกายต้องมีวันหมดดังนั้นก็ขอให้เรามารู้เรื่องวิธีหยุดความอยากกันเพราะเมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วเราจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจให้รู้แค่นี้ก็พอ ถ้ามีเงินมากไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเอาไปทําบุญทําทานแล้วก็อย่าไปทําบาปอย่าไปสร้างปัญหาอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครแล้วก็มาอยู่คนเดียวมาเลิกใช้ร่างกายมาใช้จิตใจแทนใช้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาทําใจให้สงบมาทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ แล้วเราจะมีความสุขสบายมากกว่าการมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมีคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วข่าวเป็นความสุขที่จะมีวันหมดพอเวลาหมดก็จะปล่อยให้เราทุกข์ให้เราเศร้าโศกเสียใจดังนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุดติไว้เพียงเท่านี้นเลี้ยงไปที่วต่างประเทศเออก็เนี่ยแหละทำงานแทบเป็นแทบตายก็เพื่อจะได้ทำให้ของพวกนี้เราไม่คิดว่าทั้งวันเวลาแก่เวลาเจ็บก็ทำไม่ได้ยจงทำาอะไอมาทางนี้ดีกว่านะทางนี้ไม่ทางน้นทางนี้มีกล้องตั้งไว้อยู่เชิญขึ้นมาทางด้านใน ยัง อ, อยากจะถามอยู่เปล่าไม่อยากถามเลม่อยางถา <c oughs> าอยู่บ้าน <c oughs> มีคําถามเยอะมากจดจดจดจด อ, อันนฟังแล้วไม่อยากถามรู้มากไปก็เท่านั้น<ม>ความรูท้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะ<ม>อความรู้ที่ทําให้เรารอดดีกว่ารู้วิธีทําทานรู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีภาวนานี่พอละรู้แค่นี้พอแล้ะ มีคำถามก็ค่ะอาว่ามาอยากจะให้พระอาจารย์ในความคิดเห็นพระอาจารย์อาจารั์ก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยมีคารวะที่สอนกรรมฐานมากมายาทั้งสอนสมาธิสอนปฏิบัติอยากจะให้พระอาจารย์แนะนําว่าในการเรียนกับคารวะกับเรียนกับพระภิกษุเนี่ยมีข้อดีหรืออะไรบ้าคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคารวะแล้วอยู่ภิกษุหรอกอยู่ว่ารู้รือไม่รู้ ไปเรียนกับคนไม่รู้ก็เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดนะวกเราเป็นคนตาบอดพวกที่ไม่รู้นี่มันคนตาบอดก็ต้องไปเรียนกับคนที่รู้ที่มันสมัยนี้เราไม่รู้ใครรูรร้แล้วไม่รู้ก็ต้องไปทดลองเาอาถ้าเรียนไปแล้วไม่ได้เรื่องก็ ความจริงวิธีเรียนมันก็มีอยู่แล้วคนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วพวกเราขี้เกียจกันทำไมเราไม่ไปเรียนจากพระพุทธเจ้ากันเอาไปอ่านพระสูตรคาสอนของพระพุทธเจ้าดูซิไปหาถ้าอยากจะเรียนภาวนานก็ไปอ่านสติปัฏฐานสูตรไปเรียนอ่านธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนี่สองสูตรนี้ก็จะสอนวิธีการภาวนานให้เราได้ ที่เรามันไม่ค่อยชอบที่จะคน้นคว้าขวนขวายด้วยตัวเองชอบให้คนพามันง่ายชอบให้คนก็ป้อนนี่ไปเจอคนป้อนอาหารผิดก็ทาทนที่จะอาหารมาป้อนเอายาพิษมาป้อนดังนัเบื้อ ง, งต้นเราต้องอย่างน้อยต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีปฏิบัติอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเรียนกับผู้อื่น แล้วก็ผู้ที่ผู้อื่นที่เราไปเรียนเราก็อาจจะต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของผู้สอนด้วยว่าเขาเรียนมาจากที่ไหนแล้วสถิติคือคนที่เรียนจบจากเขานี่มีกี่คนอะไรทํานองนี้เหมือนกับสถาบันการศึกษานี่ เราก็ต้องไปเลือกดูว่าสถาบันนี้เป็นยังไงมีคนเรียนจบกี่คนอะไรอย่างนี้ได้ดิบได้ดีกันกี่คนทางัอันนี้เราพูดเปรียบเทียบให้ฟังอย่างปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันก็คือสายของหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็ มีมีอะไรมีสถิติให้เร า, เาวัดดูได้ผ้าอาหารหันที่เกิดจากสายหลวงปู่มั่นนี่มีจำนวนเท่าไหร่ปัญญาการที่จะรวบรวมมีผ้าอาหารหันหรือไม่ก็เวลาท่านตายไปกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุถ้ากลายเป็นพระธาตุก็แสดงว่าท่านเป็นผ้าอาหารหันนี่ก็ต้องไปเรียนกับ สายที่มีพ้าอารหันเยอะๆสายที่ไม่มีผ้าอารหันเลยไปเรียนทําไมมันก็แต่คนไม่รู้กันไงคนไม่รู้จักเลือกเลือกเลือกโรงเรียนพูดง่ายๆเลือกถูกคนที่ไม่รู้ด้วยกันมาอามาลากจูงไปก็เลยอ ไม่ได้ไปเรียนที่ถูกสถาทุกที่แล้วอีกอย่างก็บางทีก็ไม่อยากจะเรียนเพราะการเรียนในสถาบันของพระพุทธศาสนานี้มันก็มีหลายระดับระดับอนุบาลก็มีระดับปฐมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเห็นบางทีคนที่เขาไม่สนใจระดับอุดมศึกษาก็ เ, าเอาแครรรร่ระดับอนุบาลก็คือใส่บาน เขาส่บาตรที่ไหนเขาก็ได้บุญแล้ว <c oughs> เขาก็มีความสุขแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกมากแต่คนที่ต้องการแล้วขั้นอุดมศึกษานี่มันจะต้องเลือกเหมือนเราเลือกมาหาวิทยาลัย <c oughs> เราก็ต้องไปศึกษาดู ว, ว่ามาหาวิทยาลัยไหนผลิตบัณฑิตออกมาแล้วบัณฑิตจบแล้วไปทํางานทําการได้ดิบได้ดีมากน้อยเพียงไร อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะเรียนระดับภาวนาระดับมรรคผลนิพพานนี้เราก็ต้องไปเรียนกับพร ะ, พระอริยะเจ้าทั้งหลายพระสุปฏิปันโนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระกาลว่าไม่ค่อยมีอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่เราจะเลือกครูกัน อย่างสมัยที่เราปฏิบัติตอนต้นเราก็ใช้พระสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ธรรมจักก็เข้าใจมากแปดเข้าใจอริยสัจสีพออ่านสติปัฏฐานก็เข้าใจวิธีเจริญสติเข้าใจ ว, วิธีเจริญวิปัสสนา พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอันนี้ก็เป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงมีสองโพสูตรนี้ก็เหลือกินแล้วถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องไปหาคนที่เขาเข้าใจมาอธิบายให้เราอีกทีตำรามันชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจเอง าเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องไปหาคนอื่นเราก็ใช้สองตำ ส, สูงพนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยู่คนเดียวจนถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนสภาพเพตอนนั้นยังเป็นคาวาดอยู่แต่ไม่ได้ทำงานเพราะว่าอยากจะปฏิบัติตลอดเวลาที่เงินเงินทองที่ใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายมัน หมดละมันใกล้จะหมดแล้วก็ต้องเลือกทางแล้วว่าจะเป็นคาวาะถ้าเป็นคารวะก็ต้องไปหาเงินนะไปทํางานต่อเพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าไปทํางานก็จะเอาเวลามาปฏิบัติก็มีน้อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ไม่เหมือนกับปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยต้องเลือกทางบวชไปเป็นพระ บวชพระก็จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีผู้สนับสนุนยิ่งศรัทธาญาติโย่ที่ยินดีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่อยากจะไปมรรคผลนิพพานได้ไปอย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายไม่ต้องมาเสียเวลากับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เราก็เลยตัดสินใจบวชแต่จะบวชก็ต้องเลือกวัดอีกว่า เราต้องการว่าที่ให้มีปฏิบัติอย่างเดียวเราไม่ต้องการเรียนแล้วเราเรียนมาพอแล้วเรารูุทางแล้วการเรียนก็เหมือนกับ ก, การดูแผนที่การหาทางเมื่อเราได้แผนที่แล้วเราได้พบทางแล้วเราจะมาเรียนอีกซ้ำทําไมเรียนเพื่อเอาเอาประกาศนียบัตรทําไมเราต้องการเรียนเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็ได้ปฏิบัติควบคู่ไปแล้วเราก็ได้ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งแล้ว จิตมันก็สงบขึ้นไปตามลําดับอยู่แล้วมันไม่ต้องการอะไรมันต้องการหาที่สงบที่ปฏิบัติมันก็เลยไปฐานพระใกล้บ้านท่านก็บอกว่าต้องไปนู่นไปทางภาคอีสานนู่นมีพระสายหลวงปู่มั่นนี่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยรู้จักเรารู้เราศึกษาจากพระตายพิฎกไม่รู้จกักพระในเมืองไทยว่ามีพระที่ไหนมากเป็นอย่างไรนะ พอถึงเวลาจะหาวัดใกล้ที่มาศึกษาดูต่าต้นก็ไปวัดใกล้บ้านไปไ ป, ไปกราบเรียนว่าอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติท่านก็บอกว่าวัดใกล้บ้านนี่มันไม่มีการปฏิบัติมีแต่การเรียนแล้วก็มีแต่พิธีกรรมต่างๆบุญบางสังส่งสวนเน่ยฉะนั้นถ้าบวชอยู่แถวนี้ก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติก็จะเป็นเหมือนแกะดำคนอื่นเขาไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติคนเดียวเดี๋ยวก็อยู่กับเขาไม่ได้นี่คือการเลือกสถาบันการเรียนการสอนนะก็ได้ข่าวว่าเนี่ยต้องไปหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอันจะมีแต่การปฏิบัติเรียนน้อยมากเรียนก็เรียนแบบสั่งสอนเทศนาว่าเก่า ไม่ได้เรียนแบบตำรับตำรั บ, ต ำ, รบตำลาไม่ได้เรียนเพื่อเอาใบประกาศอะไรอย่างนี้ mm. เรียนเพื่อให้รู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง mm. ก็การ mm. อบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์นี mm. ่ท่านก็เลยก็เลยได้ได้เป้าหมายว่าจะต้องไปหาสถาบัน mm. คือเราต้องการที่ปฏิบัติตอนนั้นคอนจรครูบาอาจารย์เราก็ไม่ค่อยได้กังวลเท่าไหร่เพราะเรา mm. เรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูอาจารย์อยู่แล้ว เรามีหนังสือคู่มือของเราติดตัวอยู่เราก็อ่านหนังสือเนี่เวลาไม่เข้าใจอะไรก็กลับมาอ่านวิเคราะห์ไปปฏิบัติไปแล้วก็อ่านแล้วก็วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบดูว่าการปฏิบัติกับเรากับคําสอนของท่านนั้นตรงกันไหมมันก็เลยไม่คยไม่ค่อยคิดเรื่องถึงครูบาอาจารย์เพียงแต่คิดถึงสถานที่ปฏิบัติอยากจะได้ที่ปฏิบัติที่สงบสงัดวิเวก ที่เอือต่อการปฏิบัติที่ท้าทายต่อการาการเจริญปัญญาปัญญาก็คือไตลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมันจะไม่เห็นไตลักษมันต้องไปอยู่ในที่อันตรายมันถึงจะเห็นไตลักว่าโอ้ร่างกายเหล่านี้มันไม่เที่ยงเนานะมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ใกล้กับสิงสาราศาสตร์ต่งตางๆ มนก็เลยต้องไปหาที่แบบนั้นมันถึงจะได้ได้พิสูจน์ทำที่เราเรียนทำที่เราปฏิบัติว่าใช้ได้ผลไหมดับความทุกข์ได้ไหมก็เลยเนี่ยก็เลยต้องไปแสวงหาวัดป่าแต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ขอให้ท่านสนับสนุนในเรื่องการปฏิบัติไม่มีการก่อสร้างไม่สร้างโบสถ์สร้างถาวรวัตถุอะไรต่าง ให้เน้นแต่การปฏิบัติก็โชค ด, ไดีได้ได้ทราบข่าววัดของน้องตาว่าเป็นวัดที่เน้นในการปฏิบัติก็เลยขออนุญาตแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ไปปฏิบัติที่นั่นแลพอได้อยู่ใกล้ท่านก็ได้ยินได้ฟังคำสอนที่ละเอียดแล้วอวมากกว่าคำสอนที่เราได้จากตำรา มีอุบายวิธีอะไรหลายหลายที่ไม่มีในตำรา ห, หรือมีแต่เราอาจจะอ่านไม่พบก็ได้เพราะมันเยอะข้อมูลในพระไตรปิฎกนี่มันเยอะนี่พอได้จากครูบาอาจารย์วิธีการทรมานกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนั่งนานๆเดินนานๆอดอาหารมีความเข่งกัดในทุต ด, ดงกวัดนี้ ฉันมื่อเดียวฉันในบาทไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินทบาทแล้วอยู่ในปา่าถือผ้าบางสกุลมาตรการเหล่า น, นี้จะเสริมการปฏิบัติอันนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการที่ได้ไปอยู่ได้ศึกษากับผู้ที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วมันก็ทําให้การปฏิบัตินี้มันคืบหน้านแล้วก็ ไม่หนงทางนี่คือลักษณะของการไปเรียนกับคนตาดีรู้หมดรู้ทุกอย่างรู้วิธีรู้รู้ทางที่จะไปถึงพระนิพพานว่าไปอย่างไรแล้วอุปสรรคที่จะขวางกัน้นมีอะไรบ้างทุกขันมันมีอุปสรรคมันจะมีอะไรมาหลอกมาล่อให้เราหลงได้การสมาธิก็จะหลงให้เราติดอยู่กับสมาธิ ปัญญาก็จะให้เราหลงติดกับการพิจารณาเลยแบบไม่มีขอบไม่มีเขตพิจารณาจนฟุ้งซ่านขึ้นมามันมีอะไรที่คนที่ไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู้ถ้าคนที่ปฏิบัติแล้วไปเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปเล่าให้คนที่เขาผ่านมาแล้วเขาจะรู้แล้วก็จะชี้แนะวิธีแก้ได้อย่างง่ายดายแล้วเลยนะ เอาอทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิแค่นี้ก็จบแล้วพอทำตามที่ท่านพูดไว้มันก็สบายไม่ต้องมางงไก่ตาแตกว่าเป็นอะไรวะอาจจะแก้ได้อาจจะเสียเวลาไปนานหรืออาจจะแก้ไม่ได้ถ้าปัญญาตัวเองไม่ไม่แหลมคมพอนี่คือประโยชน์จากการที่ได้เรียนจากคนที่รู้จริงเห็นจริงเราก็ต้อง ศึกษาดูการที่เราจะรู้ว่าคนเหล่านี้รู้จริงเห็นจริงหรือไม่เราก็ต้องเราก็ต้องได้ศึกษาบางส่วนหนึ่งว่าเขาสอนตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องได้ปฏิบัติบ้บางถึงจะได้รู้ได้พิสูจน์ ว, ว่าวิธีที่เขาสอนนี่เป็นได้ผลหรือไม่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนี่มันก็ก็ต้องเชื่ออย่างเดียวถ้าไปได คูที่รู้จริงเห็นจริงไปก็โชคดีไปถ้าไปเชื่อคููที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็ก็ซวยไปเห็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนหาห า, าระสูตรสำคัญสำคัญมนาะอ่านแล้วก็มาลองปฏิบัติ ด, ดูก่อนนี่คือ เรื่องของการที่เราจะหาครูหาอาจารย์ไม่จำเป็นว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะแต่เท่าที่สังเกตมานี้คารวะไม่ไม่มีอยู่ในระดับของพระหรอกปฏิบัติมันคนละระดับกันคารวะนี่ไม่มีทุ่งสง์วัดเลยยังอยู่กับกามอยู่ยังเสพกามอยู่แล้วจะมาสอนอะไร สอนให้ละกามได้อย่างไรเมื่อคนสอนเองเหมือนแม่ปูยังเดินเฉยอยู่เฉยไปเฉยมาเราจะมาสอนให้ลูกปูเดินตรงๆได้อันนี้แหละคือสิ่งที่คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเนี่จะยยกแยะออกไม่เป็น าก็คารวานี่บางคนเพียงแต่อ่านหนังสือก็เข้าใจแล้วก็มาสอนแล้วก็คิดว่าความเข้าใจนี้คือการบรรลุธรรมนะแต่ปัญหาความอยากต่างๆก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ก็สอนได้สอนตามตำราสอนไปเราไปเรียนจากตำราก็ได้ไม่ต้องมาให้เขาสอนก็ได้มันก็เหมือนกันเขาก็อ่านจากตำราให้เราฟังพูดจากตำราให้เราฟัง เขาไม่ได้พูดถึงการกําจัดตัญหาความอยากกาจัดกิเลสอะไรเขาก็ยังมีปัญหาความอยากอยากได้ลาบยศสารเสริญอยู่อาจจะไม่แบบแบบจงแจ้งแบบแต่เขาก็ยังมีอยู่นี่คือเรื่องของการเรือกหาครูบาอาจารย์ เราก็ต้องมีปัญญาในระดับหนึ่งที่จะสามารถแยกแยะได้ว่ า, าคนรู้กับคนไม่รู้นี่เป็นอย่างไรก็ดูการปฏิบัติของเขาดีเขาปฏิบัติยั้ไงเขายังเสดกามอยู่หรือเขาไม่เสดกามมันก็แยกได้ส่วนอย่างละการมรตันหาภาวะตันหาเขายังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่หรือเปล่า บางคนสอนเพราะสอนเพราะอยากจะเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นอาจารย์แล้วมีคนนับหน้าถือตาสอนด้วยความอยากคนนี้ก็ไม่มีความอยากเขาก็สอนแต่เขาสอนแบบไม่มีความอยากคนที่จะไปเรียนเขาต้องไปค้นหาเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขามันจะไม่มานั่งติดป้ายว่ารับสอนวิปัสสนาครูบาอาจารย์ดีๆนี่เหมือนเพชร ที่เราจะต้องไปขุดค้นหากันอะไรหายากท่านจะไม่มาโผยตามบ้านตามเมืองให้เรามามาพบกันง่ายๆนอกจากในวัยชราภาพแล้วท่านก็มาโปรดในฐานะที่ให้พวกที่อยากจะทำบุญนั้นะได้ทำบุญ พวกปฏิบัตินี้ท่านไม่สามารถที่จะโปรดได้แล้วถ้าท่านอายุมากแล้วท่านก็อาจจะมาเปลี่ยนแนวทางการการสอนจากสอนระดับมาอะไรก็กลับลงมาสอนระดับอนุบาลมาพาญาติโยมมาให้ญาติโยมได้ทาบุญทาทานฟังเทศฟังธรรมหน่อย แต่ท่านจะสอนแบบปฏิบัตินี้ท่านจะไปอยู่ตามป่าตามเขาเพราะมันเป็นสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่ปฏิบัติของระดับปริญญาคนที่อยากจะจบปริญญานี้จะต้องไปศึกษาอยู่ในป่าในเขากันพระุตจ้าก็ตัดสั้นในเขาในป่าสแสดงธรรมก็สแสดงธรรมในป่าบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมกันในป่า ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาก็คือตามป่าตามเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมืองตามบ้านตามเมืองที่เ็าตั้งขึ้นมามหาวิทยาลัยสูงต่างๆนี่มันมันไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่จะผลิตพระระดับปริญญาก็คิดว่าคำตอบก็คงจะมีแค่นี้อโอเค มีใครอยากกระถามมั้ยไม่มีอย่าให้ถางทางบ้านก็ได้ถามบ้างพระอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้อผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะชอบสถานที่ที่แบบว่าสอนแบบง่า ย, ายๆและดูดีครับอาจารย์จะเข้าคนเยอะมากเลยออันไหนที่ดูดีอาตามแล้วดูดีขึ้นมาง่ายขึ้นมาจะเฮโล ก, กบบันไปอันไหนยากๆนี่จะไม่ค่อยชอบกันก็ยังใจยังมีกิเลสใจยังชอบของสวยๆงามๆอยู่ เราไปอยู่ไปวัดที่ไหนแล้วดูสวยงามมีระเบียบเรียบร้อยดูเห็นแล้วมันคลายๆว่าประการตาตะการใจก็ลเลยไปติดลูกไม่ได้ไปติดธรรมเราไปหลงคิดว่าลูกนั้นเป็นธรรมก็เลยเวลาไปอยู่วัดปวงวัดป่านี้มันเป็นวัดแบบธรรมชาติท้าไม่ได้มา ปรุงแต่งมาเสริมความงามของธรรมชาติเขามองไม่เห็นความสวยงามของธรรมชาติคือความสงบร่มเย็นเขากลับไปมองเห็นความสวยงามทางตาหูจมูกตินกายว่าเป็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมไปแล้วก็อยู่แบบสบายาไปอยู่ตามวัดป่านี้ท่านให้อยู่แบบยากอยู่แบบไม่สบาย เพื่อที่จะได้สร้างทำขึ้นมารับกับความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเราต้องการปฏิบัติเพื่อฟันฝ่าความทุกข์ยากลาบากทางร่างกายให้ได้เพราะร่างกายของเราต่อไปมันจะต้องทุกข์ยากลาบากมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องใจจะต้องตายใจของเราจะต้องมีพลังที่จะอยู่เหนือความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายให้ได้ ถ้าเราไม่มีความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายมาเป็นตัวสร้างให้บังคับให้เราสร้างทำขึ้นมาเราก็จะไม่ได้สร้างกันถ้าเราอยู่กับความสบายไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งพอมันไม่สบายก็จะไม่มีความสามารถที่จะรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปกับความทุกข์ยากลำบากได้เพรฉนเขาคนที่ต้องการความสบายปฏิบัติสบายนี้เดี๋ยวเวลา เจอความทุกข์ยากลำบากก็จะสอบติดกันจะสอบไม่ผ่านอ่ะไปแล้วเหรอหายสงสัยแล้วเหรอไปดูในโทรศัพท์ต่อนะไปดูในโทรศัพท์ต่อนะการงานมาในช่องคืนตั้งใจจะถึงหเดือนกว่าจะได้มาแล้วี่่ใหญไ ม, ไม่พร้อมพามาก็นในมาแล้วทำไมรีบกลับนะ ตั้งใจตั้งห้าเดือน ว, วัตัุเขามีงานต่อเจ้าค่ะอ๋อน่าเสียดายน ะ, ะไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวนี้มีทําเปิดดูได้เปิดฟังได้อ่ามีใครอยากจะถามทางบ้านไหมทางบ้านมีหอยงมีค่ะตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้สามร้อยหกสิบสองค่ะยู u ูบอ่ะยูทูบสี่สิบกว่ามาดี <40 S 2> กว่า <40 S 2> คำถามจากคุณต๊อกตอนนี้ปฏิบัติธรรมโดยมีวิธีปฏิบัติรับประทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อเดินจงกรมวันละสามถึงสี่ชั่วโมงนอนสี่ทุ่มตื่นตีสองแต่จิตยังไม่ค่อยมีสมาธิควรจะทำอย่างไรต่อไปครับควรจะเพิ่มกำลังปฏิบัติหรือว่าทำแค่นี้ก่อนครับเกิดสิ่งที่ขาดก็คือสติคนหมั่นพุโทโธพุโทโธไปอยู่ตลอดเวลา จะหยุดพุโทโธก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานการหรือว่าท่าใจเราไม่คิดแล้วเราก็หยุดพุโทโธได้ถ้ามันยังคิดอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันการปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การลดอาหารกินอาหารมื้อเดียวหรือเดินจงกรมเดินจงกรมกี่ชั่วโมงถ้าเดินแบบใจลอยเดินแบบักคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติการตัวที่จะชี้ว่าเป็นเป็นปฏิบัติหรือไม่ก็คือตัวสติถ้ามีสติแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรนี่เราถือว่าเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาดูตัวนี้พยายามสังเกตดู ว, ว่าวันนี้เราพุโทโธอยู่ต่อเนื่องไหมพุโทโธหายไปบ่อยไหมปล่อยให้ใจไปคิดอดีตไปคิดอนาคตอยู่เลยหรือเปล่าหนึ่งมันกลับมา ให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าไม่มีพุทธโธแล้วนั่งสมาธินานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ติด จ, จะสงบไม่สงบนีบ้อยู่ที่สติอยู่ที่พุทธโธนั้นต้องดูที่ตัวนี้เป็นหลักตัวอื่นก็ต้องมีแต่มันเป็นตัวตัวรองเราต้องดูตัวพระเอกตัวพระเอกในเรื่องนี้ก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่มีพระเอก แล้วก็จะไม่มีผลอะไรต่างๆตามมาคำ ถ, ถามจากคุณธันรดาตอนนี้ศิลก็มีนะคะแต่ทําไมสมาธิยังไม่ดีเลยคะก็ไม่เกี่ยวกันไงสิลไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เกิดสมาธิตัวที่ทําให้เกิดสมาธิก็คือสติให้มีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆล้วเดี๋ยวสมาธิจะดีขึ้นไปเองคำ ถ, ถามจากคุณบุญชู เคยนั่งสมาธิลมหายใจหายสงบละเอียดสักพักหนึ่งนึ้ขึ้นได้ว่าไม่ได้กําหนดลมแล้วคว้าลมใหม่จิตถอนเลยขณะนี้มีความเย็นใจมากครับถ้าลมละเอียดแล้วเราต้องกําหนดอย่างไรต่อครับถึงจะไม่กลับมาคว้าลมอีกก็ให้รู้เฉยๆไปใช่สักแต่ว่ารู้ไปลมละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดไม่ต้องไปคว้าหาลมถ้าลมไม่มีก็ไม่ต้องไปคว้าให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ไม่มีลม ก็ให้้แต่่่วารรูเเฉยยไปื อ, อคำถามจากคุณแพลร์อุบายในการอยู่ร่วมกับคนใกล้ชิดที่เอาเปรียบตลอดเวลาถ้าเราปล่อยให้เขาทำตามที่สบายใจและไม่พยายามคิดและเอามาเป็นอารมณ์แบบนี้ทำถูกต้องอหรือไม่คะก็เราอยากก่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วกันคิดเสียว่าเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือเราต้อง ทำใจให้สบายให้อยู่กับเขาได้ถ้าเรายังต้องอยู่กับเขาอยู่แต่ถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับเขาก็สู้แยกทางกันดีกว่าพออยู่แล้วมันก็เหมือนกับอยู่กับกองขยะอย่างเนี้ยอยู่แล้วมันก็ถึงแม้จะทําใจได้มันก็ยังบรรยากาศไม่ดีสู้ไม่ต้องอยู่กันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยทําใจถ้าอยู่กับเขาก็ต้องคอยทําใจอยู่เรื่อย ้้าไม่ตออไม่ตอองใใอยูกเคําถามจากคุณพีรณีการไปวัดถวายสังฆทานอาหารสดกับสังฆทานอาหารแห้งผลบุญต่างกันเช่นไรเจ้าคะบุญก็คือพระได้กินอาหารสดอาหารแห้งไม่ได้กินนะ <c oughs> มีสมัยหนึ่งเขาชอบใส่วันวันปีใหม่นี้ชอบใส่อาหารแห้งกัน พาไปบินทบาทนี่มีแต่อาหารเครื่องกระป๋องมีอะไรข้าวสารไม่มีของสดกินเลยวั น, นั้นเกือบจะอดในวันปีใหม่เพราะชอบซื้อของเพราะกลัวเพราะจะได้ให้พระสะสมเก็บไว้กินนานๆแต่ก็ไม่รู้หลักการของบินทบาทของพระก็หากินเป็นวันๆไปหากินแบบนกไปบินทบาทเพื่อหาอาหารสดมากินแไม่ให้สะสมพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่ ญาติโยมคิดตามภาษาญาติโยมไงว่าเห็นว่าวันวันวันปีใหม่คนใส่บาทเยอะอาหารสดเยอะก็ก็จะล้นหลามกินไม่หมดเซื้อใสยอาหารแห้งก็เลยฮะแห้งเันทุกคน <c oughs> <c oughs> เลยหาอาหารสดกินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คนจริงไม่เป็นรานยะอาหารสดมันหรือแล้วก็เอาไปทําทานกันคิดว่านอกจากพระแล้วก็ยังมีคนที่เขา เดือดร้อนที่เขารับเข้าพึ่งพาอาศัยบา ร, รมีของพระอยู่พระได้อาหารมาเหลือไม่เอาไปทิ้งหรอกก็เอาไปให้คนเด็กยากจนคนชราคนพิการคนยากคนจนอะไรไปถือว่าทำบุญกับพระนี่ได้ทั้งบุญได้ทั้งทานพระท่านไม่ได้สะสมไม่ได้เก็บเอาไว้ท่านได้มาแล้วท่านก็แบ่งไว้สำหรับตัวท่านที่เหลือท่านก็เอาไปแจกจ่ายต่อผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่อไป ใส่อาหารสดเถอถ้าใส่บาดอย่าไปใส่อาหารแห้งเลยคำถามจากคุณอูการพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังต้องพิจารณาอย่างไรคะก็ให้รู้ไงว่าตัวเรามีอะไรบ้างร่างกายนี้มันประกอบด้วยอะไรเหมือนกับเราอยากจะรู้ว่ารถยนต์นี้มีอะไรบ้างถ้าเราดูอยากข้างนอกเราก็จะเห็นเพียงบางส่วน ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรทั้งหมดเราก็แยกชิ้นส่วนออกมาร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามองกันในขณะที่มันรวมกันอยู่นี้มันก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นตัวเราของเราตรงไหนเราก็ลองแยกชิ้นส่วนออกมาดูแยกผมดูแยกขนไว้กองแยกเล็บไว้กองแยกฟันไว้กองหนังไว้กองเล็บไว้กองเนื้อไว้กอง ตับไตไส้พุงแยกกันไว้เป็นส่วนๆแล้วลองพิจารณาดูแต่ละอาการว่ามีตรงไหนที่เป็นตัวเราของเราบ้างเราก็จะได้เห็นว่าทั้งร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเลยมีแต่เพียงอาการ32งนี้เท่านั้นเองการพิจารณาแบบนี้เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอะไรกันหนาะมันเป็นตัวเราหรือมันเป็นเพียงอาการ32ออันนี้ผลอย่างหนึ่ง นีกอย่างหนึ่ได้รักก็จะได้เห็นความจริงของร่างกายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราจะได้ไม่หลงหลคิดว่าร่างกายนี้มันน่าดูน่าชมถ้าเราเห็นเพียงภายนอกเนี่ยเราจะเห็นเพียงแต่รูปร่างหน้าตาแล้วเราก็จะเห็นว่าสวยว่างามและทำให้เราเกิดตัณหาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ทำให้เรา อยู่คนเดียวไม่ได้เราทำให้เราอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ครองแล้วเราก็ต้องมาทุกขกับเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากเราไปถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามไม่น่าดูไม่น่าชมก็จะได้ไม่อยากจะได้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นแฟนมาเป็นคู่ครองด้วยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการดูร่างกาย คำถามจากคุณฟีดอมหากนั่งภาวนาโดยเปิดธรรมมาคูบาอาจารย์ฟังไปด้วยได้ไหมคะเพราะเวลานั่งแบบเงียบๆแล้วจิตชอบฟุ้งซ่านค่ะถ้าเรายังนั่งแบบเงียบๆแบบไม่มีเสียงธรรมได้เราใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องกล่องใจเราไปก่อนก็ได้ขณะที่เรานั่งฟังธรรมเราก็ไม่ต้องพุทธโทไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ฟังเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทน แต่ถ้าต่อไปจิตเราสมมติเรานั่งไปสักพักหนึ่งฟังธรรมไปสักพักหนึ่งแล้วจิตเราเริ่มสงบเริ่มสบายเราลองหยุดฟังธรรมดูแล้วเราลองมาดูลมหายใจต่อดูถ้าเราดูลมหายใจต่อได้เราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ลึกกว่าความสงบจากการฟังธรรมนี้มันมันพาให้เราเข้าไปสู่ความสงบได้ระดับหนึ่ง ถ้าอยากจะสงบมากกว่านี้เราก็ต้องเปลี่ยนจากการฟังธรรมมาเป็นการดูลมหายใจเหมือนกับคันรถที่ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เวลาเข้าเกียร์หนึ่งมันก็จะวิ่งได้ความเร็วในระดับหนึ่งมันจะเร็วไปกว่านั้นไม่ได้ถ้าจะให้มันวิ่งเร็วไปกว่านั้นเราก็ต้องเข้าเกียร์สองพอเข้าเกียร์สองรถมันก็จะวิ่งเร็วได้เร็วขึ้นแล้วพอถึงถึงขีดจงมันเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สเกียร์สไปเลย มันถึงจะวิ่งได้เต็มที่การนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราใช้การฟังเทศฟังธรรมใช้การสวดมนต์มันก็จะทำให้ใจเราสงบได้ในระดับหนึ่งถ้าเราต้องการให้มันสงบมากกว่า น, นั้นเราก็ต้องใช้พุทธโธและใช้ลมหายใจเข้าออกต่อไปมันถึงจะเข้าไปได้ด้วย ก, กว่าคำถามจากคุณรสนิทานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับ นิพพานไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนิพพานเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาคาถามจากคุณฉายาผมเป็นลูกคนเดียวเคยบวชมาแล้วพรรษาหนึ่งแล้วอยากกลับไปบวชอีกแต่ก็ยังมีห่วงพ่อแม่อยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดว่าควรทาเช่นไรดีครับ ถ้าเกิดเราตายไปวันนี้แล้วเรายังห่ o o พ่อโ h o o แม่ได้หรือเปล่าทะไรได้หรือเปล่าคําถามจากคุณเพชรเวลานั่งสมาธิบางครั้งแค่ขึ้นชั่วโมงจะนิ่งเบาเย็นพอพนั่งไปเรื่อยๆจะไม่อยากออกจากสมาธิเจ้าค่ะเขาเล่าให้ฟังก็ดีสิให้ไปแล้วนั่งสมาธิก็อยากช้ให้นั่งไดนานนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีเพราะเวลาอยู่ในสมาธิมันมีแต่ความสุขมันไม่มีความทุกข์ เอาจากสมาธิมาแล้วเดี๋ยวมันก็วุ่นวายเน้นปัญหากอบพวกเราก็คือเข้าสมาธิกันไม่ได้ถ้าเข้าได้เราไม่ไปเที่ยวกันให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาหรอกมันความสุขสู้กันไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบจากการนั่งสมาธินี่มันมันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วจะไม่ต้องการความสุขแบบอื่นก็จะทาให้เรานี่อยู่คนเดียวได้ทาให้เราไม่ต้องไป ดิ้นรนหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ต้องไปทํางานให้เหน็ดให้เหนื่อยเพื่อจะได้ไปหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆนั้นถ้าเราได้ความสงบนั่งให้มันนานๆไปก่อนยังไม่ต้องกังวลว่าจะติดสมาธิหรือไม่ถ้าเรายังพึ่งได้ใหม่ๆนี่ยังไม่ถือว่าติดเราต้องหัดทําให้มันชํานาญก่อนให้เราสามารถเข้าได้ทุกครั้งที่เราต้องการและอยู่ได้นานเท่าที่เราต้องการ เราชำนาญแล้วนี่ขั้นต่อไปเราถึงค่อยออกมาเจริญปัญญาแต่เราก็ยังต้องเข้าสมาธิอยู่เพียงแต่ว่าสลับกันเวลาอยู่ในสมาธิก็พักจิตเวลาออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญาแทนที่จะเจริญสติแทนที่จะพุโทโธพุโทโธก็มาพิจารณาร่างกายแทนมาพิจารณาดูอาการ3 2หรืสองว่าอาการ32นี้มีตัวมเมเรามีตัวเราของเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่า ตรงไหนเป็นเราบ้างเวลาเขาเอาเอาตับออกไปเอาตายออกไปนี่เราหายไปหรือเปล่าเวลาเขาตัดเล็บตัดผมเราไปนี่เราหายไปหรือเปล่านันก็จะเรารู้ว่าอ๋อผมไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราฟันไม่ใช่เราเมื่อเล็บฟันไม่ใช่เราอาการอย่างอื่นมันก็เหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเราจะได้วางใจได้ว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นของเราเวลามันไปมันเราก็ยังอยู่ เราจะได้ไม่กลัวตายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปได้อันนี้คือการเจริญปัญญาละเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาแล้วถ้ามันเริ่มฟุ้งก็หยุดพิจารณาเราก็กลับไปตั้งสมาธิทำใจให้สงบให้มันหายฟุ้งก่อน าบางทีพิจารณาไปแล้วกิเลสมันเข้ามาแทรกมันก็ทำให้กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปแทนที่จะปล่อยวางกลับไปห่วงไปยายไปวิตกกังวลขึ้นมาอันนี้แสดงว่าไม่เลยเป็นปัญญาละก็หยุดพิจารณากลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบเมื่อออกจากความสงบใจหายฟุ้งหายวิตกกังวลก็ค่อยมาพิจารณาใหม่ทําไปจนเก่าจะปล่อยร่างกายได้ปล่อยร่างกายได้ก็ปล่อยเวทนาต่อไปค นั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณาความเจ็บเหมือนกับร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเรามันเกิดมันดับมันก็ไม่เกี่ยวกับเราปล่อยวางมันได้ก็สบายต่อไปจะได้ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะต้องหัดสอนใจทําใจให้รับกับความตายของร่างกาย ได้รับกับความเจ็บปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้แล้วจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปอว่ามาคำถามจากคุณด น, นภาเงินที่ถูกหวยไปทำบุญจะได้บุญใหม่คะได้แตม่มันเป็นบุญเั็นการที่ได้มาจากกองทุกขของผู้คนคนที่เล่นหวยนี่ก็เป็นคนจนนั่นแหละคนรวยก็ไม่เล่นะคนรวยก็เล่นหุ้นเนอะ คนจนเขาเล่นหวยอก็เอาเงินของคนจนนี่แหละมาคนที่เขาอยากจะรวยทุกคนคนที่ไม่มีเงินก็อยากจะรวยง่ายๆก็เลยไปแทงหวยกันแล้วก็เลยจนลงไปมากกว่าเดิมแทนที่จะเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินเอาเงินให้ค่าเราค่าเราเรียนค่าอาหารกลางวันให้กับลูกก็เอามาแทงหวยกันมาเล่นกัน ถ้พอได้มาก็ไปซื้อเหล้ากินกันไปเที่ยวกันมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆขึ้นมาดับบุญที่ได้มาจากการนั่นหวยก็เอาไปทำบุญก็ได้บุญแต่มันก็มันก็ได้มันก็เหมือนกับว่าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเอาเงินเหมือนกับไปลักทรัพย์เขาเองแต่ว่าเป็นการยินยอมของเขาเองก็จะถือว่าบาปก็ไม่บาป แต่ว่ามันเป็นการหาเงินบนกองทุกของผู้อืน่นเราหาความสุขบนน้ำตาของผู้อืน่นแล้วเราไปทำบุญซู่เราอย่าไปเอาเงินของเขาเร า, เราไม่ทาบุญเรายังจะเราย่งจะเรายาังจะดีกว่าบุญที่เราได้กับการเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนี่มันมันมันหนักมากกว่ากันถ้าอยากจะทำบุญก็หาเงินแบบทำงานของเราดีกว่า ทำงานเก็บเงินไว้ทางานาได้เงินเท่าไหร่แทนที่จะเอาไปซื้อของตามความอยากก็เอาไปทาบุญถ้าทาบุญแบบนี้เป็นประโยชน์รอะหนึ่งเราจะได้กำจัดความอยากใช้เงินในทางที่ไม่ถูกไป2จะทำให้เรามีความสุขจากการได้ทาบุญทำให้เรามีความอิ่มใจพอใจในระดับหนึ่งคาถามจากคุณเสือผมเป็นตุด๊ด มาอยู่วัดรักษาสิงห์แปดเป็นเวลาหนึ่งเดือนสํารวมกายวาจาใจมากแบบอย่างสมณะเพศจะเอาว่าเห็นเพื่อนกระเทยทำบุญที่วัดแล้วห้ามไม่ให้ผมบวชผมเสียใจมากๆครับผมควรทำอย่างไรดีครับพ่อแม่อยากให้บวชผมเองก็ศรัทธาสายกรรมฐานมากๆาเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่รับคนบวชแต่คิดว่าคนที่เป็นเพศที่ เรียกว่าตูดนี่เขามีข้อห้ามไม่ให้บวชเพราะ่อเดี๋ยวมาอยู่ใกล้ผู้ชายด้วยกันเดี๋ยวก็ไปทำอะไรได้ง่ายเพราะเรื่องของทางเพศนี่มันไม่มันเป็นสิ่งที่ที่เราไม่ต้องการกระทำกันพระถึงต้องแยกอยู่กับชีอยู่ด้วยกันไม่ได้ทีนี้เกิดเป็นตูดนี่มันก็เป็นเหมือนมชีมาอยู่กับพระเดี๋ยวก็ วันดีคืนดีกสติสตังมันมันหายไปเกิดสู้การมารมณไม่ได้เดี๋ยวมันก็อาจจะไปทำปาราชิกกันได้ไปทำข้อผิดที่ร้ายแรงคือการเสพเมทุนที่จะทำให้ขาดจากการเป็นพระไปได้ังนั้นพวกที่เป็นตุ๊ดนี่จงเหมือนกับว่าเป็นพวกที่จะต้องอไปอยู่กับพวกที่เป็นผู้ชายไม่ได้ ไปบวชอยู่กับพวกที่เป็นผู้ชายไม่ได้เขาก็เลยคงต้องห้ามไว้้ามไม่ให้ไปอยู่เดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นเหมือนผู้หญิงอะ่ะคือร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจไม่ได้ไม่ได้ไปชอบผู้หญิงใจไปชอบผู้ชายด้วยกันแล้วพระก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นเดี๋ยวเกิดไปอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะทำให้เกิดมีการมารวมขึ้นมาได้แล้ว แทนที่จะได้บุญกลับอาจจะมาทำบาปก็เลยพระพุทงเจงต้องการจะตัด sí ปัญหาเพราะมันจะทำให้สถาบันเสื่อมเสียได้มีอะไรที่จะทำให้ต้องเป็นปัญหาขึ้นมาก็เลยต้องส่งห้ามไว้ไม่ได้ห้ามด้วยความรังเกียจเพราะว่าเป็นตุ๊ึกเป็นอะไรมเพราะว่ามันจะทำให้การปฏิบัตินี้มันไม่เจริญมันจะถดถอยมันจะทำให้เสียหายต่อ ชเสียงของสถาบันได้ก็เลยมีข้อห้ามไม่ให้พวกที่เป็นต้นบวชก็เราไม่ไม่บวชเราก็ยังปฏิบัติบรรลุนิพพานได้ก็อย่างที่บอกก็มาอยู่ถือศีลแปดก็ได้อยู่ที่วัดเป็นคารวาะถือศีลแปดไปปฏิบัติไปก็การถือศีลแปดนี้ก็เป็นเป็นศีลของนักบวชอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะบรรลุมรควลนิพานได้เช่นเดียวกันครับำถามจากคุณปะดีเมื่อทําสมาธิจนร่างกายหายไปลมหายใจหมดต้องพิจารณาอะไรต่อครับเพราะมันว่างไม่เจออะไรครับก็ให้อยู่กับความว่างไปนานๆไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปทําอะไรให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆไปถ้ามีความคิดขึ้นมาก็หยุดมัน รักษาความว่างความสงบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ดูลมใหม่คาถามจากคุณนัทวุฒิการเล่นหุ้นเพื่อหากำไรถือว่าเป็นบาปไหมครับแตกต่างอย่างไรกับการทำมาค้าขายเพื่อหวังกำไรครับมันก็ต่างกันตรงที่ความโลภต้องคนที่เล่นแบบ โลนนี้ก็จะเล่นในลักษณะแบบเหมือนกับเล่นการพนันแต่คนที่เขาทําเล่นแบบทํามาหากินเขาก็เขาก็แบบว่าซื้อเหมือนกับซื้อหุ้นส่วนในบริษัทเราเขาก็หวังผลตอบแทนจากการที่บริษัทมีการประกอบการที่ดีมีผลมีกําไรก็เอาผลจากการเก็เรียกปัน่น ก็คนละอย่างกันพวกนี้เขาซื้อแล้วก็แชร์ก็ทิ้งไม่นานก็ไม่มาคอยกังวลมาคอยเฝ้ามาคอยดูทุกเชา้าทุกเย็นว่าตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะลงความสบายใจก็ต่างกันความสุขความสบายใจก็ต่างกันแล้วความเสี่ยงก็ต่างกันพวกที่เขาเล่นระยะยาวนี้เขาไม่ต้องเสี่ยงมากแต่พวกที่ต้องการโดยต้องการได้เร็วนี่ต้องเสี่ยง กกกกก็จะะออยู่่ในนนนรรัััษณเเหมืบาลาลไปคำถามจากคุณกูลบุคคลที่มีอายุมากกว่าแต่การกระทำไม่ดีสมควรทำความเคารพไหมคะคือถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้ายังมีความจำเป็นที่เวลาเจอกันก็ต้องทำความเคารพไปตามตามตามสมมตินิยมเช่นเขาเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างี้เราก็ต้องแสดงความเคารพ ส่วนการกระทำความไม่ดีของเขานี่มันเป็นเรื่องของเขาคำ ถ, ถามจากคุณน้อยการพิจารณาทุกทุกคเวทนาเวทน า, นาพิจารณาอย่างไรครับก็ต้องนั่งให้มันเจ็บเนะี่ยเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาก็ต้องดูว่าความเจ็บนี้มันเป็นปัญหาหรือว่าความอยากให้มันหายนี้เป็นปัญหาถ้าเราได้ฟังเทศ ได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเวทนานี้ไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวที่เป็นตัวปัญหาก็คือความอยากให้เวทนาหายไปพอเกิดความอยากแล้วใจจะเครียดขึ้นมาใจจะทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเราหยุดความอยากให้เวทนาหายไปได้เราจะนั่งอยู่กับเวทนาได้และวิธีนี้ที่จะหยุดความอยากที่ง่ายที่สุดก็คือให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไป ให้ใจเราไม่มีโอกาสไปคิดถึงความอยากจะให้มันหายพอมันไม่มีโอกาสที่จะอยากให้มันหายมันอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆความเครียดความทรมานใจก็จะหายไปแล้วก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายเพราะความเจ็บนี้มันเหมือนกับเข็มยาเข็มที่หมอฉีดยาให้มันไม่เจ็บมากไอ้ตัวที่เจ็บมากคืตัวไม่อยากจะฉีดเด็กบางคนนี้พอบอกให้ฉีดยานี่ ไม่ยอมเดินสุดๆเลยไอ้ตัวนะั้นตัวทรมารย์ใจก็คือตัวไม่อยากฉีดตัวความเจ็บของเข็มมันนิดเดียวพอคนที่ยอมฉีดมันก็ไม่เจ็บมากเห็นไหมพอชิมเข้าไปแป๊บเดียวมันก็จบละอันในความเจ็บทางร่างกายก็เป็นความเจ็บที่ไม่รุนแรงที่เราอยู่กับมันได้รับมันได้ปัญหาอยู่ที่เราไม่ยอมรับมัน ความอยากไม่รับมันความอยากที่อยกให้มันหายตัวนี้เป็นตัวปัญหาและวิธีใชแก้ปัญหาก็ต้องอยากใบอยากให้มันหายถ้าใจยังอยากอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันจะไม่มีไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงความอยากให้มันหายพอมันไม่ได้คิดไปความอยากให้มันหายมันก็หายไปความทรมานก็หายไปใจก็สงบเย็นสบายก็อยู่กับความ เจ็บของร่างกายได้อยู่กับเวทนาได้คำ ถ, ถามจากคุณนิกกี้ขณะนั่งสมาธิดูลมหายใจอยู่สักพักเหมือนแขนกระตุกแล้วจิต ด, ดิ่งมูบลงไปเป็นแบบนี้หลายครั้งอย่างนี้ถูกต้องไหมครับมันมูบแบบไหนมูบแบบหลับหรือวูบแบบตืน่นวูบแบบดิ่งอาจารย์ก็บอกว่าดิ่งลงครับอาจารย์ดิ่งลงแล้ ว, ลวมันแล้วเป็นยังไงมันส ง, งบสบายหรือเปล่า ถ้ามันสงบสบายก็ใช้ได้ถ้าดิ่งลงไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็อาจจะหลับไปก็ได้ต้องรู้เรื่องต้องรู้ตลอดเวลารู้ว่าเด็งเลาวสงบสบายมีความสุขอัศจรรย์ใจถ้าอย่างนั้นเน่ะเรียกว่าเป็นข้าวสงบแต่ถ้าวเด็งเลาววูบหายไปเลยไม่รู้อะไรเลยอันนี้ก็อาจจะหลับไปก็ได้อ่วาไงไลต่อไป สองสามคำถามมักก็หมดเวลานะค ำ, าคำถามจากคุณที่หน้า <Bueno> เมื่อคนตายไปจะไปเกิดใหม่ทันทีใช่หรือไม่แล้วทำไมจึงยังมีวิ ญ, ญญาณที่ร่อนเล่หรือที่เรียกว่าสัมภเวสีอยู่อีกคะถ้าคำว่าคาว่าเกิดใหม่หมายถึงการมากลับเป็นมนุษย์นี่ยังไม่แน่เพราะว่า มันนอกจากพบมนุษย์แล้วยังมีพบของเปรตของผีเนี่ยสัมภเวสีพวกนี้ก็เป็นเปรตเป็นผีก็ถือว่าเป็นอีกพบหนึ่งแล้วก็ถือว่าไปเกิดแล้วเป็นผีก็เป็นอีกพบหนึ่งแล้เพราะฉะนั้นเวลาตายไปนี่มันมีพบอื่นนอกจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพก่อนก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมก่อนก็ได้ไปเป็นนรกก่อนไปตกนรกก่อนนกนรกก็เป็นเป็นพบอีกพบหนึ่งเป็นไปเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีเป็น เลระชานมันก็เป็นภพทั้งนั้นงั้นมันไปมันพอมันออกจากร่างกายมันก็ไปเป็นอีกอย่างเพราะบางทีใจมันมันเป็นไปก่อนตายแล้วเช่นบางคนนี่ยังไม่ทันตายก็ใจเป็นเปรตไปก่อนแล้วพอตายไปก็ไปเป็นเปรตเลยใจบางคนนี่ยังไม่ทันตายก็เป็นเทพแล้วพอตายก็เป็นเทพไปเลยใจของเรานี้เป็นไปก่อนที่ร่างกายจะตายไปเสียได้ทำไป ทุกขณะที่เราทําบุญทําบาปนี้มันจะเป็นขึ้นมาทันทีขึ้นอยู่กับยอดการกระทําของเราว่าเราทําไหนมากกว่าทําบุญมากกว่าใจของเราก็จะเป็นเทศเป็นพรมไปถ้าใจเราทําบาปมากกว่ามันก็จะเป็นเปรต เ, เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรไปหมดแล้วเลยอครัานครับมีมีคำถามส่วนตัวอยากถามนาครับอาารย์เอ้คนที่เขาทาบุญตักบาทนะครับแต่ในขณะที่ผมไม่ค่อยตักบาทแต่มาทางานอย่างนี้ และจะมีอะไรกินนะครับหมายว่าพูดถึงแบบโลกนะว่าอย่างแบบคนอื่นเขาทาบุญอย่างนี้ใส่บาตรความจำแต่ผมไม่ได้ใส่บาตรก็เรากินบุญไงอาหารใจคือบุญคือความสุขใจเอ็มใจเหมือนกันทดแทนกันได้ทดแทนกันได้สิงห์ก็ใส่บาตรกันนิดเราไม่ได้ใส่แต่เราทำงานพวกนี้เราก็อย่างะร้ว่าเราจะได้ได้เราก็ได้บุญเราได้ธรรมทานการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเรามีความสุขใจเอ็มใจดูที่ใจของเรา ถ้าเราใส่บาตรแล้วไม่ไม่อิ่มเท่ากับเราทํางานอย่างนี้แสดงว่าใจเราชอบอาหารแบบนี้จะบุญแบบที่ได้ช่วยเหลือได้รับได้รับใช้สังคมได้รับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นความสุขใจบางคนก็ไปทํางานกับปอเทคตึง้งร่วมกับตันยูนี้เขาก็เหมือนกับได้ใส่บาตรเหมือนกันแต่เป็นความสุขวิธีหาความสุขคนละแบบสําหรับเขาเขาต้องทําแบบนี้เขาถึงจะมีความสุขเพราะว่าหนึ่งก็อาจจะไม่มีทรัพย์หรือเขาไม่มีเวลา ที่จะมาใส่บาทเขาก็เลยเอาเวลามาทำอย่างอื่นแทนก็เป็นบุญบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจเราทำอะไรแล้วทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจอันนั้นก็เป็นบุญแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความสุขให้เป็นเศรษฐีเป็นอะไรได้ของของเราไม่เขากินได้ไหมจ๊ะของของเราให้เขากินได้ไจะ๊ะของกาของมันไ ม, ไม่ได้ ถ้าแบ่งได้ก็พระเจ้าก็แบ่งให้พวกเรากันหมดแล้ว่เผ่าโอกาสถามถ้าเกิดว่าช่วงเข้าภาสาเอไม้จะังถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นี่เราปฏิบันิรอรอแล้วะไม่ค่อยตั้งใจนะเจคะเราจะเสียโอกาสว่าช่วงเข้าภาษาใบไจะมีอุบายอะที่ทําให้เรารู้สึกหนอยากมีเถื่อนเพื่ออร่อยหน่งใีไม้จะพังอ่าก็ <grammar. S 1> อยูอ่ที่เรามองถึงผลที่ดีที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํำของเรา ความดีผลที่ดีต่างๆมันเกิดจากการกระทําของเราและการที่เราจะทําหรือไม่กระทําก็อยู่ที่ว่าเราต้องบังคับใจเราเราก็อาจจะต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้อธิษฐานก็คือการตั้งเป้าหมายให้คํามั่นสัญญากับตัวเราเองว่าต่อไปนี้เช่นเราจะใส่บาตรทุกวันในช่วงเข้าพรรษานี้ทําสัญญาทําสัญญาใจ ถ้าเราไม่ทำสัญญาไม่ทำเป้าหมายแล้วก็เอเอเราเหยือลอยลมเหมือนเดิมอยากจะใส่ก็ใส่ไม่อยากจะใส่ก็ไม่ใส่แต่พอเราทำสัญญาแล้วเรารู้แล้วว่อาอ้อเราต้องทำนะถ้าเราไม่ทำเราก็หลอกลวงโกหกตัวเราเองไม่มีสัจจะถ้าเราทำเราก็มีสัจจะมีความเพียรมีความพยายามที่จะทำตามสิ่งที่เราต้องการจะทำมีความอดทนถ้ามีอุปสรรคอะไรขวางกั้นก็พยายามฟันฝ่ามันไป อันนี้เราต้องมีสิ่งเหล่า น, นี้มันถึงจะทําให้เราสร้างสิ่งที่เราต้องการสิ่งดีๆต่างๆได้สิ่งดีๆมัน ไ, ไม่ไห้ไ ม, ามาตามอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราส่วนใหญ่มันจะดึงเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราถึงจะต้องมาตั้งเป้าไว้ตั้งเหมือนกับตั้งตารางไว้ถ้าเราไม่มีตารางนี้เดี๋ยวเราก็เออเราเยลอยลมไม่มีอะไรทํานอนก่อนนี่ก่อ น, นอนต่อไปก่อนแต่ถ้าต้องใส่บาตรปุ๊บโอ้ยถึงเวล า, าต้องตื่นล้รีบลุกขึ้นมา เตรียมกับข้าวกับปลาอาหารไปใส่บาตรเราต้องตั้งสศีจะต้องตั้งอธิษฐานถึงจะสามารถทําในสิ่งที่ดีที่งามได้อย่างน้อยก็สามเดือนในหนึนงปีนะกันทําไมต้องสามเดือนทำไมสิบสองเดือนในหนปีเลยถ้ามันดีถ้ามันดีก็ทําต่อไปสิถ้คาคนทําดีแล้วก็อาจจะต่อไปก็ได้หรือถ้าเอาถ้าไม่สะดวกใส่บาตก็เอาภาวนาก็ได้ว่า เอาไปนีจะนั่งภาวนาวนาัน ก, กี่ชั่วโมงเวลาไหนก็ว่าไปเป็นเวลานั้นก็ต้องนั่งอย่างเดียวไม่ทํอย่างอื่นเป็นดาราคนนักเรียนเลยใช่ต้องมีกําหนดมีกําห<ม>นดอะไรต่างๆไว้มีเงื่อนไขอะไรต่างๆไว้ถ้าไม่กําหนดแล้วมันก็จะไหลไปตามอารมณ์ในบางคนเขาอาศัยช่วงเข้าวปร้นาบ้างวันขึ้นปีใหม่บ้างมาตั้งสัจจะกันตั้งอธิษฐานกันว่า เราจะทําอะไรดีนัปีใหม่เราทำอะไรดีๆกับเราเลิกโกหกเลิกงอนเลิอกอะไรก็ว่าไปแล้วก็ดูซิว่าจะทำได้สักกี่วันถ้าคุณไม่มีสัจจะก็จะทำไปได้ตามที่กําหนดไว้จะทําทั้งปีก็ทําทั้งปีทำสามเดือนก็ทําทั้งสามเดือนบางคนเขาก็เลิกสซลาได้คนที่เคยดื่มโซลาพอเข้าพรรษาปั๊บก็ไม่ดื่มเลยเขาตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานแม้ว่าตลอด เวลาเข้าพัรษานี้จะไม่เดืมสซุระเึง แ, แต่ว่าพอออกพรรษาแล้วก็ยังกลับไปเดิมอยู่ก็ยังก็ยังดีกว่าไม่ไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นก็ได้มีการพักปอดพักพักพักบ้างก็ยังดีแล้วต่อไปถ้าอยากจะเลิกทั้งปีก็คงจะเลิกได้ถ้าเลิกสามเดือนง่าทถ้าไมเลิกต่อไปทําไม่จะเลิกไม่ได้อยู่ที่ใจเราเท่านั้นว่าเราจะอยากจะเลิกหรือไม่เลิกถ้าเราอยากจะเลิกแล้วอยากจะทาอะไรนี้ เราเราสามารถทำได้ความอยากนี้ไม่ได้เป็นกิเลสความอยากนี้เรียกว่าเป็นฉันทะเป็นอิธิบาทสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นมักเป็นทรรความอยากที่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีก็มีสามนี่กามฐานะก็ภาวะฐานาวิภาวะฐานะอันนี้ไม่ดีอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยาก อยากจเจริญในรากยศสรรเสริญอยากให้ไม่อยากให้ราบยศส ร, รรเสริญไม่เสื่อมนี่เรียกว่าวิภาวะฐานาภาวะฐานาถ้าเราต้องการแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราต้องการทําบุญต้องการนั่งนั่งสมาธิต้องการา ร, รักษาศีลนี่เป็นความอยากที่ดีถ้าไม่มีความอยากอันนี้ก็จะไม่ได้ทำใช่ไหมในความอยากอันนี้มันพาเราไปทําในสิ่งที่ดีทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ถือว่าเป็นความอยากดีใช้ได้ควรจะมีแต่ความอยากที่พาเราไปพบกับความทุกข์นี้ไม่ควรจะมีคือความอยากในรูปเสียงก ล, ลิน่นรสมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์กันเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต